ถ้าสมมุติว่ามีช่างจักสารคนหนึ่งตัมบูฟังเขาก็เอาไม้ไผ่ที่สำหรับจะทำการจักสารเนี่ยมาพาออกเป็นสี่ท่อนเอาบลองไม้ไผ่เนี่ยนะมาพาออกเป็นสี่ท่อนในแต่ละท่อนที่พาออกมาแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนในแต่ละส่วนที่มันจะเป็นรูปของเสี้ยววงกลมอันหนึ่ง เขาก็แบ่งออกเป็นอีกหส่วนและในแต่ละ5ส่วนแต่ละส่วนนั้นก็่าออกเป็นสี่ซี่และซี่ที่พาออกมาแล้วนั้นก็จะมีทั้งด้านท้องกับด้านหลังเวลาเขาใช้ในการจักสารจักสารทําเป็นตระก้าบ้างเป็นะลอมบ้างก็จะใช้ด้านท้องหรือด้านหลังตามที่เขาต้องการ เวลาทาที่เขาก็จะค่อยพาไปทีละอั น, นาจากบล่องไม้ไผ่ยาวๆอันหนึ่งพาออกแบ่งออกเป็นสท่อนก่อนเอามาท่อนหนึ่งก่อนเนี่ยที่เหลืออีกสท่อนยกไว้ก่อ น, นแบ่งเป็นอีก4ส่วนเอาส่วนหนึ่งมาอีก3ส่วนเก็บไว้ก่อนค่อยแบ่งออกเป็น5้ซีกทำไปทีละลาดับขั้นอย่างนี้ก็จะได้ซีกไม้ไผ่สําหรับที่จะทําจักสารได้ หรือถ้าเราเปรียบเหมือนกับพระราชาพระราชาองค์หนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายได้มอบทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้กับลูกชายองค์โตก็คือพระโอรสองค์โตเอาไว้ในจํานวนทั้งหมดสค่ขุมทรัพย์ด้วยกันในขุมทรัพย์นี้เขาก็เก็บไว้ในห้องในมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องมีในสมัยต่อมาบุตรแล้วก็ทิดาของพระราชานั่นคือพระราชาโอรสแล้วก็พระราชธิดานมีงาน เลี้ยงงานสังสรรค์กันก็เลยมาขอสมบัติจากพระราชาองค์นี้พระราชาก็บอกว่าเอาได้มอบให้กับลูกชายองค์โตไว้แล้วแต่ที่เป็นมกุฎราชกุมารไนะหนไปขอแบ่งจัดสรรกันมกุฎราชกุมารลูกชายองค์โตพระโอรสองค์นี้ก็พาเหล่าพระราชบุตรพระราชธิดาเหล่านี้แลเข้าไปยังห้องกลุ่มทรัพย์ห้องหนึ่งเข้าไปตีลห้องแลเข้าไปห้องหนึ่งแล้วในห้องนั้นก็มี หีบหีบใหญ่ๆอยู่ห้าหีบด้วยกันแล้วก็เปิดหีบหนึ่งขึ้นก่อนในอีกสหีบก็เอาไว้ก่อนแล้วเปิดหีบหนึงขึ้นข้างในมีสมบัติแบ่งไว้เป็นส่วนๆแต่มีะอบอยู่สพระอบกก็เอาพอปกหนออกมาแล้วก็เปิดพระอบที่อยู่ข้างในนั่นออกมาแต่มีทรัพย์สินเพชรนินจินดาอะไรต่างๆอยู่แบ่งให้กับพระราชกุมารกับพระราชธิดาเหล่านั้น ใส่ไปในงานนักษัตย์ต่างๆได้อุปมาอุปไมพวกนี้ทําัฟังเหมือนกับเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในมัชิมานิกายอยู่เล่มที่12ข้อที่340พระสูตรที่ชื่อว่ามหาหัตถิปโทปะมะัสูตรปูดแปลภาษาไทยก็แปลว่าอุปมาเกี่ยวกับเรื่องรายเท้าช้างนะใครเป็นคนแสดงเอาไว้คือท่านพระสารีบุตรนั่นเอง ภาษาดิบุตรเนี่ยได้แยกแย่แจกแจงเรื่องที่สำคัญสำคัญเอาไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากเหมือนกับนายช่างจักสารละที่เขาจะค่อยแบ่งจากไม้ไผ่ปล้องใหญ่ๆยาวๆออกแบ่งออกแบ่งออ ก, ออกจนกระทั่งเหลือเป็นเสี่ยวไม้ไผ่สำหรับจะไปทำจักสารได้หรือเหมือนกับมกุฎราชกุมารพระโอรสองค์โตที่สามารถจะแบ่งสัสดส่วนทรัพย์สินต่าง ให้กับราชกุมารกับราชธิดาได้เหมือนกันตรงไหนท่านผู้ฟังพระบริราชาเนี่ยเปรียบเสมือนกับธรรมราชาได้เป็นธรรมราชาได้มอบสมบัติเอาไว้แล้วนั่นคืออริยสัจสี่พระสารีบุตรเป็นเหมือนกับราชโอรสองค์โตถ้าขึ้นครองราชก็จะมีท่านพระสารีบุตรนี่แหละที่จะขึ้นกรองราชต่อได้ได้มอบสมบัติเอาไว้เป็นมรดกนั่นคือธรรม เป็นภาษารีบุตรนั้นเป็นธรรมทาญาติรับมรดกคือธรรมะเหล่านี้มาแล้วก็มาเทศสอนบอกสอนให้เราภิกษุภิกษุณีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต่างๆได้ฟังได้ยินกันโดยทําการแยกแยก่แจกแจงมรดกที่พ่อของเราทิ้งเอาไว้ให้นี่คือเรื่องของอริย ส, สัจสีในใพระสูตรนี้น่าสนใจมากถ้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปอ่านบริตตําความเข้าใจได้จะเป็นการดีในซึ่งอยู่ในเล่มที่สิบสอง ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่340แต่ถ้าเผื่อว่าไม่มีอ่านฟังก็ได้ข้าพเจ้าพร ะ, พระมหาภาบูบณญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายสูกเนี่ยก็จะนํามาเล่าให้ท่านบูฟังฟังอยู่เป็นประจำคือมาทําหน้าที่ของสมมนาละในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจแจ่มแจ้งพระสูตรนี้ไม่ใช่เป็นปุทพจน์แต่เป็นคําของท่านพระสารีบุตร ซึ่งถ้าเราดูลักษณะการแสดงธรรมของท่านพระสารีบุตรเนี่ยแม่เป็นธรรมชาตญาติจริงๆคือยกพุทธพจน์ขึ้นมาในการอธิบายธรรมของท่านด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจสี่แต่พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคอา้าวสมุทัยนิโรธมรรคยกไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องทุกก่อนเรื่องทุกก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ก่อนอธิบายเฉพาะเรื่องรูปก่อนเรื่องรูปก็มีดินน้ำไฟลมไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ย มันไปเกี่ยวข้องกับขันห้าอย่างไรแล้วมันมารวมลงกันตรงที่เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติได้อย่างไรเรื่องนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับขันห้าอิยตนะ6แล้วก็ปฏิจจสมุปาฏิย์อีกด้วยโอ้โหมีความหลากหลายในการแสดงธรรมของท่านมากแค่พระสูตรเดียวอ่านได้ฟังกันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนิดนะฟังกันแล้วได้ยินแล้วเราจะพบว่ามีเนื้อหาธรรมะต่างๆเหล่านี้อยู่ในพระสูตรนี้ทั้งหมด ในอนี้คือท่านยังไม่ได้แยกแยะแจกแจงให้หมดเลยนะเหมือนกับคุมสมบัติที่พระราชามอบหมายให้ไว้กับราชบุรุษองโตเนี่ยเข้าไปแค่ห้องเดียวนะอีกห้องที่สองห้องที่สามและห้องที่4ี่นี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่ได้พูดถึงแล้วห้องแรกที่เข้าไปนี่ก็เปิดหีบใหญ่แค่ใบเดียวหีบใหญ่อีก4ใบยังไม่ได้เปิดด้วยซ้าก็จะมีเครื่องประดับเพชรดินจินดาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายเหมือนกัน เช่นเดียวกันที่ท่านพระสารีบุตรนั้นเปรียบเทียบเอาไว้แต่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมสงเคราะห์ลงกันได้อยู่ในอริยสัจ ส, สีเปรียบเทียบกับรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัตว์อื่นๆจะเป็นของกระต่ายของเสือโครง่งของมา้าของลาหรือของอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่เกินรอยเท้าช้างคือจะมาสงเคราะห์ลงกันได้แต่อันนี้คือไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะคือรอยเท้าช้างก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหม รอยเท้ามารอยเท้าเสือโครง่งก็จะเป็นคนละแบบกันแต่จะมาสงเคราะห์รวมลงกันได้ตรงที่ว่ามันไม่ใหญ่เกินกว่ากันอริยสัจสีนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นธรรมะหมวดใดๆจะเป็นความเมตตาอยู่ในโรมมหัน4จะเป็นขันติความอดทนหรือเป็นฮีริอัตตบนะอะไรต่างๆมันก็จะมารวมลงไม่ใหญ่เกินไปกว่าอริยสัจนี้นะีะไม่จัดเข้าในหมวดใดก็จัดเข้าในหมวดหนึ่ง รวมถึงเรื่องของบาปอากุศลธรรมเช่นตันหาวิชากิเลสราคาโทสะโมหะก็จะรวมลงกันไว้ตรงนี้ได้แต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะมันก็แยกแยะแจกจายเงินไปมีการใช้งานต่างกันมีการทําจิตต่างกันใช้ในเวลาต่างกันมีข้อปฏิบัติ ท, ที่จะสมควรแก่ทำไม่เหมือนกันแต่จะสงเคราะห์รวมลงกันได้ในนี้นี่คือเรื่องของอริยสัจสีก็อธิบายสิว่าในอริยสัจสีนั้นมีอะไรบ้างเอาเรื่องทุกมาอธิบายก่อน เดี น, นี้ข้าพเจ้าได้เคยเอามาเล่าให้ท่านูฟังอยู่เป็นประจำละ่ะนว่าความเกิดความแก่ความตายเนี่ยเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์ที่มาแน่นอนทุกคนเจอแน่นอนอันนี้คือทุกข์ขาประจำส่วนทุกขา์าจรเช่นความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังความต้องพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นต้นเหล่านี้นนเลยเป็นความทุกข์าจรบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอบางคนก็เจอมากเจอน้อยไม่เท่ากัน แต่ไม่ว่าจะเป็นทุกขาประจํำคือเกิดแก่ตายหรือทุกขาจรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีองค์ประกอบของกันห้าอยู่ในนั้นทั้งสิ้นขันนัก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนี้คือหมายถึงธาตุดินน้ำไฟลมเวทนาละ่ะยังไม่ถัน่ะจอธิบายแต่บูฟังเอารูปมาอธิบายก่อนนนี้คือเนื้อหาในพระสูตรนี้นะแต่เพื่อที่ให้ท่านบูฟังเข้าใจเนี่ยว่าในกันทั้ง5ห้าถ้าเราจะแบ่งสิ่งที่มันเหมือนๆกัน มารวมรวมกันกองไว้เข้าด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นของแขงของเหลวก๊าซเป็นท่าสีดินน้ำไฟลมก็มารวมรวมกองๆเอาไว้กองนี้ก็เรียกว่ากองรูปส่วนไหนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามที่เป็นลักษณะความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอี่ผานมาทั้งตาท้งหูพวกนี้เรามารวมรวมกันไว้เรียกว่าเวทนาอันนี้คือเวทนาขันนขันแปลว่ากองก็เรียกว่ากองเวทนา สิ่งใดที่เป็นความหมายรู้ทางตาหูจ ม, มูกเล่นกายใจความหมายรู้ในสีเขียวสีแดงความหมายรู้ที่เกิดจากภาษาต่างๆที่มากระทบพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัญญาที่ความหมายรู้กองสัญญาหรือว่าสัญญาขันส่วนการปรุงแต่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะปรุงแต่งออกไปไในเป็นทางกายวาจาใจหรือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ในภายในเช่นเปลี่ยนสัญญาให้เป็นสัญญาเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เ ป, ปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ในการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนี้เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งเป็นรูปอีกแบบหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือสังการคือการปรุงแต่งและซึ่งก็เป็นขันที่4รวมถึงเรื่องของวิญญาณด้วยนี่คือความหมายรู้นี่คือขันทั้ง5้หขันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทไหนจะมีขันห้าอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนจะมีอยู่แน่นอนแล้วในส่วนของเรื่องที่เป็นรูปนี่คือทิฏฐันภาษาริบุตรได้อธิบายใน ประสูตรที่เกี่ยวกับรอยเท้าช้างนี้เหล่าว่าส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือมีธาตุสี่ดินน้ำไฟและลมแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านได้ยกพูตะพจน์ขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าได้เกิดอธิบายถึงธาตุดินไว้ธาตุาน้ำธาตุไฟและธาตุลมว่าเป็นอย่างไรคือธาตุทั้ง4อย่างเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภายในก็มีแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภายนอกก็มีแต่ส่วนที่เป็นภายในก็คืออยู่ในกายของเราส่วนที่เป็นภายนอกก็คืออยู่นอกกายของเราแต่มีหมดเลยนะ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกส่วนที่เป็นภายในในที่เป็นของแข็งอันนี้เรียกว่าธาตุดินเช่นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้เป็นธาตุดินส่วนไหนที่เป็นของอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปไหลามาได้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันพวกนี้จะเป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ในกายของเราส่วนธาตุไฟนั้คือความร้อนที่อยู่ในกาย ความร้อนนี้ทําการให้อบอุ่นด้วยความร้อนนี้ก็เป็นความร้อนที่เผาผลาญอาหารด้วยเป็นความร้อนที่ทําร่างกายนี้ให้แก่ชราด้วยแต่ความร้อนที่มีอยู่ในกายประเภทนี้ก็เรียกว่าธาตุไฟแต่ละส่วนไหนที่เป็นของพัดไปพัดมาได้เป็นลักษณะของธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก ล, ลมที่เราเรอออกมาหรือลมที่ออกมาจากในท้องในไส้ก็ตามแลมทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าสิ่งที่เป็นธาตุลม ในพวกนี้คือเป็นที่เป็นในภายในและภายนอกก็อย่างที่เราเห็นกันในบูฟังนันคือลักษณะเดียวกันเลยอันไหนเป็นของแข็งอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินอันไหนเป็นของเหลวก็คือธาตุ น, น้ํำอันไหนเป็นความร้อ น, นก็คือธาตุไฟอันไหนเป็นสิ่งที่เป็นลมพัดไปพัดมาได้อันนี้ก็คือเรียกว่าธาตุลมในมีอยู่สี่ธาตุทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือที่ท่ทานพระสารีบุตรอธิบายแนอกจากนี้ท่านยังให้ ตั ก, กความคิดทั้งบุฟังในที่เปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่เป็นภายนอกนั่นะคือธาตุที่เป็นภายนอกกับธาตุที่เป็นภายในกายของเราอาหารที่เรากินน้ําที่เราดื่มลจากสิ่งที่เป็นภายนอกนี่แหละน้าเข้าสู่ในกายของเราโตขึ้นมาได้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าอาหารน้ําหรือการออกกําลังกายหรือว่าอากาศที่เรากินดื่มสูดเข้าไปทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปนั่นเะช่นวันไหน กินอาหารที่มันเผ็ดๆมากเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันร้อนแต่คือเติมาธาตุไฟเข้าไปวันไหนออกกํำลังกายมากร่างกายนี้ก็ร้อนขึ้นอีกเหมือนกันวันไหนมีลมพัดแรงๆอากาศเย็นลงลร่างกายก็สูญเสียความร้อนไปวันไหนไม่ได้ดื่มน้ำํำพอให้มันพอดีร่างกายก็รู้สึกเป็นอีกแบบหนึง่งดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยคือธาตุดันเป็นภายในนี่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เป็นภายนอกที่เราเอาใส่เข้าไปในกาย เพราะฉะนั้นธาตุในภายในก็เกิดจากธาตุในภายนอกนั่นเองในมีธรรมชาติเหมือนกันพระบทมเจ้าสอนเอาไว้เสมอว่าเาบอกว่าธาตุเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําไฟลมภายในหรือภายนอกเป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้นมีเหตุมันถึงเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองเอกเทศลอยๆแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแต่เหตุปจนะัจจัยนั้นมันยังตั้งอยู่ความตั้งอยู่ความเป็นไปของธาตุเหล่านี้ มันก็เป็นไปได้ตั้งอยู่ได้ความที่มันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกแล้วจึงเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งภายนอกแล้วจึงเกิดขึ้นในเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเราดูตัวอย่างได้จากธาตุอันเป็นภายนอกธาตุดินที่เป็นภายนอกอย่างเงี้ย เช่นพื้นแผ่นดินนี้แต่บางทีตะลิงก็พังบางทีภูเขาก็ถล่มเกิดแผ่นดินไหวแต่ถ้าดินเปลี่ยนแปลงไปเห็นกันได้อยู่ชัดๆจาจ่าตาแต่จะมีในบางสมัยด้วยที่แผ่นดินนี้เกิดล้อมเหลวล้อมละลายเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ไม่ได้หรือธาตุน้ําด้วยแต่ธาตุน้ํานี้บางทีบางทีมันก็มากจนถึงกับน้ําท่วมเป็นซูนามิ เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอันนี้น้ําก็มากเกินไปหรือบางทีน้ําน้อยเกินไปแต่เป็นภัยแรงจะหาจะกินก็ไม่มีทั้งยากแล้วก็จะมีบางสมัยด้วยน้ําทะเลนี่ก็หาไม่มีแต่น้ําทะเลนี่ก็ค่อยๆหมวดลงงวดล ง, ง, ดลงจนกระทั่งไม่มีหายไปหมดเลยน้ําทั่วโลกหายไปหมดในสมัยนั้นก็จะมีอยู่จากที่มีเยอะเกินไปจนเป็นอุทกภยัยจนกระทั่งหายสาบสูญไปไม่มีแต่ความไม่เที่ยง ของธาตุน้ําภายนอกก็เป็นอย่างนี้ธาตุไฟนี่ก็เหมือนกันแต่บ่ั ง, งแต่บางทีมากเกินไปเกิดเป็นไฟไหม้ไฟไหม้จนดับกันไม่ไหวแต่แค่จะอาศัยควบคุมเพลิงก็ยากก็ต้องปล่อยให้มันไห ม, ม้ไปไหม้ไปจนเชื้อมันหมดไปเองก็มีแต่อย่างเช่นในการไฟไหม้ป่าในบางคราวเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยที่ไฟไหม้ป่าเยอะมากๆเนี่ยดับกันไม่ไหวแหละต้องอพยบหนีอย่างเดียวจะดับก็ดับไม่ได้ก็ต้องรอให้เชื้อมันดับไปเอง ไฟมันก็ดับไปเองอันนี้ก็ลักษณะที่มากเกินไปหรือในบางสมัยไฟก็ไม่มีท่านผู้ฟังแต่ไฟนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไฟฟ้านะไม่ใช่หลอดไฟอะไรแบบนี้แต่เป็นไฟที่เป็นเพลิงขึ้นมาเนี่แหละจุดบึ้มๆขึ้นมานี่ยแะบางสมัยหาไม่มีแต่เพราะว่าความชื้นสูงมากความชื้นสูงมากจะหาไม้อะไรมาติดไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยากในสมัยแบบนั้นก็มีไฟที่เป็นภายนอกบางทีก็มากเกินไป จนควบคุมไม่อยู่บองที่ก็น้อยเกินไปจนกระทั่งหาไม่มีหาลมนี้ก็เหมือนกันทะนผู้ฟังพางทีก็มากถึงขนาดว่าเป็นพายุเฮอริเคนเป็นพายุใต้ฝุ่นนะทำหมู่บ้านนิคมนครอะไรต่างๆให้พังกระจากระจายยับเยินไปหมดในปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่แต่นะที่พายุเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ยังมากมันก็สองสาวันนะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางสมัยท่านผู้ฟัง ในในสมัยที่โลกเรายังไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตมากเนี่ยพายุเนี่ยโอ้บางทีเป็นเดือนนี่ก็มากเกินไปลมมากเกินไปหรือบางทีมันไม่มีลมเลยเนี่ยเวลาที่มันร้อนจริงๆเนี่ยบางทีลมก็ไม่พัดนะต้นหญ้าต้นไม้ใบไม้อะไรไม่ไหวไม่สั่นไหวเลยนิ่งคือไม่มีลมพัดไม่มีอะไรตั้งสิน้นแบบนั้นก็มีดินน้าไฟลมที่อยู่ภายนอกชนิดที่มากเกินไป ก็มีเช่นในที่น้อยจนกระทั่งหาไม่มีก็มีนี่คือธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกนะแล้วไอ้ธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายเนี่ยมันจะไปเที่ยงได้ยังไงในขณะสิ่งที่เป็นของอยู่ภายนอกจะมีความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความสิ้นความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในกายของเรานี้มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันตั้งอยู่เพียงชั่วการนิดเดียวแล้วก็ถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันถึงความสิ้นไปเหมือนกัน แปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันเราคิดพิจารณาตรงนี้แล้วไอ้ตันหาที่มันจะมายึดในกายนี้ที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะยึดอยู่ไม่ได้มันจะลาไปได้แต่คนที่มีจิตใจอย่างยินทามุฟังเนี่ยที่เห็นความไม่เที่ยงในธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเวลาถูกเขาดา่าทอไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องชาติกําเนิดเรื่องรู ป, ปรพันธสันฐานเรื่องอย่างกับความคิดความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเน่ยเป็นเสียงมากระทบหูแล้ว เนื่องจากจิตใจที่เขาเห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้เป็นประจำแต่เขาก็จะเห็นความไม่เที่ยงในภาษะได้พอเห็นความไม่เที่ยงในภาษะซึ่งในกรณีนี้คือเป็นเสียงทางหูที่มากระทบเนี่ยสิ่งใดๆที่เกิดต่อตามมาจากนั้นทั้งผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความหมายรู้ใดๆเนี่ยบุคคลผู้นี้เขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้อันนี้ลําดับขั้นตอนตรงนี้สําคัญนะทัางผู้ฟังเดี๋ยวก็เราเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงซะก่อน โยวยความที่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นอย่างนี้จิตราตั้งอยู่อย่างนี้แล้วถ้ามีผัสสะใดๆที่เกิดขึ้นในกายนี้ในกรณีนี้คือเสียงหรือว่าถ้าเป็นการถูกตีถูกปาหินใส่ถูกตีด้วยมือตีด้วยท่อนไม้หรือใช้อาวุธใ ด, ดๆก็ตามเนเวลามากระทบแล้ ว, ลวเราจะเห็นผัสสะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเวทนาความรู้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต่อตามจากนั้น ก็จะไม่เที่ยงด้วยและบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความรู้ชัดแต่รู้ชัดในกรณีนี้ก็คือสตินั่นเองถามว่าคุณตั้งสติได้มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นความไม่เที่ยงในกายของเราเนี่แหละเพราะ เ, ราเห็นความไม่เที่ยงในกายอย่างนี้เห็นความเป็นไปแห่งกายที่เป็นเหตุปัจจัยมาจากภส า, า ต, ต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเช่นการด่าทอการถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างต่างๆเหล่านี้ ก็าจะระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารบท่านพระโมรยะพรคุนะและซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเอาอมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วแต่อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่าอุปมาเกี่ยวกับเลื่อดนั่นคือเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายนี่แหละพระสูตรที่เรียกว่ากะกะจูปะมสูตรซึ่งในพระสูตรนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับเลื่อดนั่นเองและเปรียบเหมือนในกรณีที่ถ้าเราถูกทําร้ายทางเสียงอย่เช่นถูกดาทอ ถูดาว่าเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือว่าถูกทําร้ายด้วยการใช้มือใช้อาวุธมีคมไม่มีคมหรือถึงกับใช้เลื่อยในการที่จะหั่นตัวเรานี้ออกเป็นสองส่วนก็ตามผู้ใดที่มีใจประทุษร้ายในบุคคล น, นั้ น, นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทําตามคําสั่งที่พ่อคือพระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้บุคคล น, นี้เขาจะระลึกถึงคําสั่งของพ่อได้ณนะจุดนี้จิตก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ คือเขาจะต้องมีการรู้ชัดรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ก่อนแล้วจากการที่เขาเห็นความไม่เที่ยงในกายนี้อยู่อย่างดีมีการรู้ชัดผัสาะใดๆก็ตามที่มาเป็นทางกายพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเป็นไปนในทางประทุดสรายไม่ว่าจะทางเสียงหรือทางกายก็ตามจะระลึกถึงคำสั่งของพ่อที่อยู่ในวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าของเราได้เนือเรื่องของพุท ธ, ธานุสติ พอระลึกถึงคําสั่งที่พ่อสั่งเอาไว้ได้แล้วจิตใจแบบนี้คือใช้ที่มีสตินั่นเองมีใจที่มีสติมีสติไม่ลืมหลงทําให้กายนั้นมีความสงบระงับไม่โกวนกระวายได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้การถูกตีถูกประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินที่เป็นไปในกายนี้เขาจะเห็นมันโดยความที่มันเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึด้นแต่ความเจ็บนี้ก็เป็นไปในกายใช่ไหมแต่จิตนั้นมีสมาธิอยู่ตั้งมั่นอยู่ เนีไม่ลืมหลงด้วยสติเน่ะจะดํารงอยู่ในคําสอนนี้ให้ได้จะตั้งตนอยู่ในธรรมเหล่านี้ให้ได้การตั้งตนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสังน่งการด้วสตินี่ยคือเป็นทั้งพุท ธ, ธานุสติในการระลึกถึงคําสั่งเสียของพ่อที่ให้ไว้ว่าอย่าให้มีชัยประทุษร้ายต่อให้เขาจะเป็นคนไม่ดีก็ตามระลึกถึงธรรมะที่เราสามารถที่จะตั้งตนไว้ในธรรมได้นี่ก็เป็นธรรมานุสติ ระลึกถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติดีเอาคำสอนนี้มาทรงไว้ในใจของเราทำให้มันเกิดให้มีขึ้นได้การขัดคำสั่งพ่อมันไม่ดีถ้าเราทำได้มันจะดีอันนี้เป็นการปฏิบัติดีเป็นสูปฏิ ป, ปฏันโนไม่ว่าตามคำของใครก็ตามคำของภัวะคือพักะวะโตเป็นผู้ฟังคาสอนคือสาวกสังโฆ น, นั่นเองมีการระลึกถึงทั้งพุทธธรรมสังฆเป็นพุทโธธัมโมสังโฆ อ, อยู่ในใจ นะถ้าทำได้ก็จะมีความปลื้มใจถ้าทำไม่ได้นะเกิดจิตตั้งไว้อย่างนั้นไม่ได้ก็จะมีความสลดใจความสลดใจนี้ท่านพระสารีบุตรนั้นเปรียบเหมือนกับหญิงสะพยแต่ที่พอเห็นพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็จะมีความเกรงใจความสลดใจ น, น, นี่คือลักษณะของยิริอุตะปะแต่คือเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็จริงแต่เรายังทำไม่ได้เนะี่ยยังไม่ทำใจให้เป็นสมาธิได้ยังต้องอดทนกล้ม่มกลืนด้วยทั้งน้ำตาก็มี แต่ก็ยังมีหิริยังมีโอตปะนั่นคืออันนี้ยังไม่มีสมาธินะแต่อย่างน้อยยังเหมือนกับหญิงสบายใหม่ผู้มาสู่เรือนไม่นานก็ยังมีฮิริโอตปะตั้งเอาไว้อาจจะยังไม่มีสมาธิละแต่เปรียบเทียบกันในทางธรรมนะอาจจะยังไม่มีสมาธิแต่มีแต่ความสลดใจมีความสังเวทใจมีฮิริโอตปะอยู่แต่จิตใจนั้นไม่ตั้งมั่นนั่นก็จะมีความสลดใจอันนี้คือลักษณะของความสลดสังเวททั้งหมดังที่จะเกิดขึ้นได้ว่าแหมชั้นรู้สัด จะตั้งตนอยู่ในธรรมระลึกถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติปุถพุทธทางธรรมังสังทางสารนังกชามิอยู่เกือบทุกวันแม้แต่มันทําใจอย่างที่สอนไม่ได้ตามตามคําสั่งพ่อไม่ได้ก็จะรู้สึกสลดใจสังเวทใจอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ยังดีก็ยังดีก็เองดีกว่าไม่ระลึกถึงนระหว่งแต่ระลึกถึงแล้วทำไม่ได้มันยังดีกว่าไม่ระลึกถึง แล้วถ้าระลึกถึงแล้วทำได้จิตใจมีความเป็นอุเบกขามีสมาธิเกิดขึ้นเป็นอารมณ์มันเดียวมีสติไม่ลืมหลงจะมีความปลื้มใจจะมีความสบายใจการกระทําอย่างนี้ทั้งหมงชื่อว่าเป็นผู้ที่ทาตามคำสั่งที่พ่อสั่งเอาไว้เหมือนกับใครก็เหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่เขารับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เอามาทรงไว้เหนือเสียงกล้าเป็นธรรมธาญาตเป็นทายาตที่รับธรรมะนี้มาปฏิบัติโดยทมทำให้มันดีตามฝังทำให้มันถึงธรรมนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วด้วยปัญญาณยิ่งส่วนที่เราเข้าใจได้ง่ายบ้างก็มีส่วนที่ต้องอ่านทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็มีเราทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเห็นอยู่อย่างให้แจ่มแจ้งว่าในกายของเรานี้มีความไม่เที่ยงตรงนี้ตรงนี้ เป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเป็นของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของตัวมันเองเอกเทศเดี่ยวๆไม่ได้เป็นอัตราตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือไปเกาะเอาเป็นสาระที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งแล้วให้คลายความยึดถือ ในธรรมะอันที่ไม่ใช่เป็นตัวตนในธรรมะอันที่ไม่ใช่เป็นตัวตนของตัวมันเองในธรรมะอันเป็นสิ่งที่เป็นของอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้เราอาศัยพุทโธธัมโมสังโคนี่แหละเราอาศัยสิ่งนี้เราจรึงเราตั้งไว้ที่นี่เราระลึกถึงเราเกาะสิ่งนี้เอาไว้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นแบบนี้คือเห็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตา หูจมูกกายหรือใจเป็นขันห้ารูปเบชนาสัญญาสังการหรือวิญญาณเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟหรือลมเห็นพวกนี้อย่างนี้แล้วก็คือเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบไวท้ทั้งหมดนังนแต่ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทถึงคือสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนี้แหละชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชีว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ไม่ว่าเราจะเห็นเรื่องของธาตุสีดินน้ำไฟลมโดยความเป็นของไม่เที่ยงวางใจให้มีอุเบกขาได้ไม่ว่าเราจะเห็นขันห้านี้โดยความที่มนันเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นบุญเดชเทศเป็นตัวตนเป็นอัตตาของมันเห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตามคําสั่งสอนที่พ่อในทางวิวัตตาของเราซึ่งทุกคนมีคนเดียวเหมือนกันเนี่ยคือพระพุทธเจ้านี่แหละได้สั่งสอนเอาไว้ก่อนการปฏิิบัติ ไวให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรบอบคอบเป็นปัญญานาติให้มีสติคือความระลึกถึงอาศัยพุทโธธรรมโมสังโฆในการที่ตั้งจิตของเร า, เาไว้ให้อยู่อย่างดีตั้งจิตไว้ให้อย่างดีได้แล้วทำอุเบกขาที่เป็นกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจตั้งใจไว้ยอย่างนี้แล้วเวลามีสิ่งใดมากระทบท่านผู้ฟังเขาจะด่าจะว่าเราไงก็ตามเถอะนะอดทนเอาให้มีขันติ บุคคลที่มีขันติมีความอดทนจะเป็นผู้ที่มีความสง่างามอยู่ในใจบุคคลที่มีขันติมีความอดทนมีความสงบสงี่ยมอยู่ในใจเป็นผู้ที่ชื่อว่าตอบโต้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นเรื่องราวในโลกนั้นมีหลายอย่างในบุฟังพระนี่ก็มีหลายแบบแเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเอาใจไปใส่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นก็เท่ากับว่าเราให้อำนาจในการที่เขาจะมาควบคุมจิตของเรา แต่ถ้าเราเอาใจเราใส่เอาไว้อยู่อย่างถูกต้องโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ตทำตามพระโอวาทอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วได้ไอ้ตรงจุด ท, ที่ทําได้ดีเนี่ยก็คือความดับไม่เหลือของความทุกข์ไอ้ตรงจุด ท, ที่มันจะไปยึดถือขันทาเนี่แหละก็เรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่พระสูตรนี้สวยงามมากท่านบวชเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตร เริ่มต้นพูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่นะแยกออกมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาเฉพาะเรื่องทุกมาอธิบายแยกออกมาเป็นเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเอาเฉพาะเรื่องรูปมาอธิบายแยกออกไปเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมพูดถึงพรตัตตนาตรายัยกลับมาเรื่องขันห้าอธิบายต่อไปเรื่องอริยนาหไปเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทแล้วกลับมาที่อริยสัจสีสวยงามมากถึกฝั่ง ข้าพเจ้าคงไม่สามารถทําได้อย่างท่านภาษาราบุตรคือถ้าข้าพเจ้าไม่มาอ่านพระสูตรนี้ทังหมดแที่จะมาอธิบายธรรมะที่มีความลึกซึ้งให้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจบอย่างสวยงามมีอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งแยบคายแม้ท่านภาษาราบุตรนี้เก่งมากแต่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมทายาจจริงๆนะคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสมบัติที่พระองค์ทิ้งไว้ให้แล้วอยู่ที่เราจะไปเปิดดูเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าต่างๆนั้นมาใช้งานหรือไม่ การฟังธรรมะไปเรื่อยๆนี่แหละช่วยได้ข้าพเจ้านั้นศึกษาหาความรู้เรื่องใดๆแล้วก็จะนำมาแบ่งปันให้ทั้งหมดฟังๆในรายการนี้แหละวันนี้เวลาหมดแล้วทั้งหมดแต่บพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพร ะ, ระมาหาภัยบูญอ ภ, ภิปุโนจากวัดบาร อ, อ, อนายโสกจุลปัน